วันอาทิตย์ที่ห้ามีนาคมสองห้าสามแปดเป็นกรารบรรยายพระสูรเรื่องปฏิจจสมุปบาทโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าสาธุชนที่เคารพเรื่องปฏิจจสมุปบาทในวันนี้เราจะอธิบายในเอกสารชุดที่สองนะฮะชุดหมายเลขสองนะครับ ท, ที่มีหัวข้อว่าอาวิชชาปฏิยาสังขาราอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่สังขารเราได้พูดเรื่อความในส่วนหลัก ที่ควรจะเข้าใจมาก่อนแล้วในสองครั้งก่อนเอาล่ะนี้จะพูดแจกรายละเอียดตามแผนภูมิที่ได้ทำไว้ในเอกสารนี้ว่ า, าวิชาเป็นปัใจจัยให้เกิดสังขารนั่นคืออะไรสังขารสามคือบุญญาพิสังขารนภุญญาพิสังขา ร, ญญาขารอาเนชาพิสังขารอาวิชาเป็นปัจจัยแก่บุญญาพิสังขารก่อนคือสังขารที่เป็นบุญ อวิชชาที่เป็นปัจจัยแก่ปุญญาที่สังขารคือสังขารที่เป็นบุญที่ในที่นี้แบ่งออกเป็นสามส่วนบุญพวกหนึ่งคือมหากุศลจิตแปดบุญที่บุคคลกระทําด้วยมหากุศ ล, ลจิตแปดเป็นบุญชนิดหนึ่งและบุญอีกชนิดหนึ่งคืออภิญญากุศลคือเป็นบุญพิเศษที่แยกไว้เป็นกรณีพิเศษอวิญากุศลหมายถึง พวกที่ได้ทานแล้วกระทำอาภิญญาจิตตัวจิตนั้นเป็นกุศลเรียกว่าเป็นอาภิญญากุศลเป็นกุศลประหลาดกุศลวิเศษแล้วก็บุญอีกตัวหนึ่งคือรูปปั้นกุศลคนที่ทํารูปปั้นได้จิตนั้นเป็นกุศลและจิตชนิดหนึ่งซึ่งกล่าวว่าบุญทั้งสามส่วนที่ เรียกว่าปุญญาภิสังขารนี้เกิดจากอาวิชชาเราก็จะมาดูว่าเกิดจากอาวิชชาอย่างไรก็เจาะไปที่มหาคุศลและจิตแปดซึ่งเป็นบุญคุศลในระดับชาวบ้านเราเรียกว่าเป็นระดับชาวบ้านที่เกิดขึ้นจากการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการทําบําเพ็ญโดยยาวัจจประพฤติตอนให้เป็นประโยชน์ เคยเหลือผู้อื่นการแสดงความเคารพนบไหวยต่อผู้ที่ควครเคารพมีพระพุทธธรรมประสงค์เป็นต้นเหล่าเนี่ยเป็นมหากุศ ล, ละจิตแปดทีนี้ก็มาดูแล้วว่ามหากุศ ล, ละจิตแปดซึ่งเกิดจากอาวิชชาเป็นปัจจัยอย่างไรอย่างไรเนี่ยกำลังจะให้ดูลักษณะของปัจจัย ท่านว่าเป็นเรื่องนากของปัจจัยสองอย่างอย่างหนึ่งคืออารมณะปัจจัยคือเป็นปัจจัยโดยเป็นอารมณ์ให้นึกถึงเป็นสิ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งปกตูปนิสยาปัจจัยคือเป็นอุปนิสัยคำว่าอุปนิสัยหมายถึงเป็นแรงบันดาลคล้ายๆตรงกับที่เราพูดเป็นลักษณะแรงบันดาลใจ แรงบันดาลใจให้กระทําบุญอันนั้นลงไปอสําหรับอารมามณปัจจัยเนี่ยเรียกว่าเป็นปัจจัยในลักษณะที่เข้าใจง่ายและไม่ถือว่าเป็นลักษณะปัจจัยที่สําคัญสําหรับกรณีนี้อผมจะอธิบายตรงนี้ก่อนว่ า, าวิชาเป็นปัจจัยแก่มหากุศลและจิตหรือมหากุศ ล, ลกรรม ทีการให้ทานเป็นต้นโดยความเป็นอารมณปัจจัยนั้นอย่างไรอธิบายตามในตำราว่าการที่บุคคลปลาลบอวิชชาให้เป็นอารมณ์ด้วยจิตที่เป็นมหากรุสลจิตนั้นชื่อว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่มหากรุสุลเจตนา แปดอย่างด้วยอำนาจของอารัมมะปัจจัยตรงนี้ก็เป็นการพูดอย่างเป็นคำพูดในเชิงตำรานี่ในทางอธิบายนี่ก็คือว่าการที่บุคคลปลารบขึ้นมาว่าอาวิชชาไม่ดีด้วยจิตที่เป็นมหาบุญญาณนะสัมบยุทธจะต้องการจะละอวิชานั้น จึงได้ไปทำทานอย่างชนิดที่มู่หวังผลคือการละอวิชาก็ไปทำบุญด้วยวิธีการใดๆจะเป็นบุญในลักษณะตรงกันข้ามกับอวิชาคืออวิชาเกิดเพราะอะไรก็ทำบุญตรงกันข้ามเช่นเราตร้งพระไตรปิฎกถวายวัด โดยปรารถนาว่า จ, จะขอขอให้เราเนี่ยมีความโง่เขลาน้อยลงมีปัญญามากขึ้นอย่างนี้หรือพระวจีเจ้าส า, า, าสว่าผู้ที่มีการสดับกรับฟังย่อมมีวิบากมีผลมีอนิสงส์ทำให้ผู้นั้นเป็นผู้ที่มีความเฉลียวฉลาดความโง่าหายไปความฉลาดมาแทนที่การสอบถามสนทนาธรรมก็เช่นเดียวกันก็อยู่ในสายของสุตตมาาัปัญญา เมื่อคนในขณะที่เกิดความปรารถนาจะละอวิชาเนี่ยจิตขณะนั้นเป็นอกุศลหรือเป็นกุศลเป็นกุศลญาณสัมปยุตเหมืออยังเราปรารถนาที่จะรู้ธรรมะหรือปรารถนาที่จะพ้นจากความโง่หลงในเรื่องเงีชีวิตเราก็มาถลำตรัพฟังธรรมศึกษาธรรมะเนี่ยนะฮะที่เป็นปัญญากระทําอวิชชาให้เป็นอารมณ์ อวิชานั้นชื่อว่าเป็นปัจจัยแก่สังขารคือกุศลนั้นที่เป็นอย่างง่ายๆเลยเป็นเป็นปัจจัยอย่างง่ายๆโดยความเป็นอารมณ์อย่างนี้ชื่อว่าอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารที่เป็นกุศลนั้นโดยความเป็นอารมณ์ในกรณีที่บุคคลจะเริญนวิปัสสนากรรมฐานอยู่ แล้วก็มีอวิชานิวรณ์ปรากฏหรือมีความโง่หลงปรากฏก็เจริญสติสัมปชัญญะดูความโง่หลงนั้นจะดูทั้งนามรูปแล้วเมื่อมีอวิชานิวรณ์เข้ามาปรากฏก็ดูอวิชานั้นด้วยดูนิวรณ์ด้วยอ่ความเฉลียวฉลาดในอวิชาความรู้ในอวิชาโดยความเป็นอวิชาก็ค่อยๆมากขึ้นอกรณีอย่างนี้เนะี่ย ท่านว่านี่เป็นมหากุศลยานสำบยียดที่สำเร็จด้วยภาวนาใหม่กุศลที่กระทอาอวิชชาให้เป็นอารมณ์อวิชชานั้นชื่อว่าเป็นปัจจัยเป็นเครื่องอุดหนุนให้กุศลนั้นสำเร็จและอันนี้ก็เป็นอย่างที่เมื่อกี้คุยกันว่าไอ้กิเลส ท, ที่มันปรากฏในกุศล คือเพื่อการพัฒนาปัญญาของเราเนี่ยเราจะต้องรู้จากกุศลด้วยรู้จักปัญญาด้วยแล้วก็รู้จักอวิชชาซึ่งเป็นอกุศลด้วยอย่างพระอริยะเนี่ยท่านบรรลุเป็นพระท่านก็รู้แจ้งอวิชชาว่าอวิชชาเป็นอย่างไรนั่นจึงจะเป็นความรู้รู้ทั้งตัวเองรู้ทั้งความไม่รู้ความรู้เนี่ยรู้ทั้งความรู้และรู้ทั้งความไม่รู้ ทีนี้ปัญหางมันเป็นปัจจัยเนี่ยตรงนี้เป็นคำที่สำคัญว่ามันเหมือนจะไม่ได้ออลงทุนลงแรงอะไรเลยนะฮะแค่ปัญญานึกถึงทำให้เป็นอารมณ์อาวิชาอยู่เฉยๆแค่นั้นก็ไม่น่าจะถือเป็นเรื่องสาคัญว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยอะไรตอบว่ามันเป็นเรื่องสำคัญครับเหมือนกับคนที่ทำลิปสษนาแล้วกาหนดนามรูปอย่างอื่น ถามว่าคนที่จะเริ่มสติแล้วได้วิปัสสนาญาณถ้านามไม่มีนามรูปเป็นอารมณ์ได้วิปัสสนาญาณหรือไม่ไม่ได้ใช่ไหมฮะวิปัสสนาญาณจะไปเกิดโดยไม่มีนามรูปเป็นอารมณ์ได้หเปล่ามีปัญญาแต่ไม่มีอารมณ์ของปัญญาไม่ได้ทำวิปัสสนาต้องมีนามรูปเป็นอารมณ์เพราฉะนั้นนามรูปที่เป็นอารมณ์ให้เกิดวิปัสสนาปัญญานี่ ชื่อว่าเป็นอารามณะปัจจัยให้เกิดปัญญาเป็นอารามณะปัจจัยให้เกิดปัญญาแทีนี้เราก็มาดูว่าการที่คนเจริญสติสัมปชัญญะแล้วกําหนดรู้อวิชชาอาวิชชานั้นเป็นอารามณะปัจจัยให้กับญาณ น, นัน้นนี้เป็นความหมายของอารามณปัจจัยจึงมี คำที่เป็นทั้งคำปลาดและคำของพระพุทธเจ้า ว, ว่าผู้ที่รู้ว่าตัวเองโง่เนี่ยฉลาดได้ผู้ที่รู้ว่าตัวเองชั่วดีได้และนี่เป็นข้อจำเป็นเนีรยถ้าเมื่อก่อนนี่เราก็ฟังดูเป็นคำคมเผินแต่เดี๋ยวนี้เราเห็นว่านี่เป็นข้อจำเป็นอันหนึ่งแล้วก็ในทางกรงกันข้ามเราก็เห็นชัดว่า คนถ้าไม่ยอมรับกับตัวเองนะเราใช้คำว่าไม่ยอมรับกับตัวเองว่าตัวเองชั่วตัวเองโง่เนี่ยกับคิดว่าตัวเองดีตัวเองฉลาดอยู่แล้วสำคัญความเร็นั้นว่าดีสำคัญความโง่นั้นว่าฉลาดเป็นไปได้ไหมว่าคนนั้นจะเป็นคนที่ฉลาดขึ้นจริงๆอนาคตจะฉลาดไปตามความเชื่องตัวเอง จะดีไปตามความเชื่อของตัวเองไม่ทีเรามามองคนที่ยอมรับหรือทราบซึ้งว่าเราเนี่โง่ต้องใช้คำว่าทราบซึ้งนะไม่ใช่แค่ยอมรับอย่างลอยลอยไอ้ตรงนี้เป็นหลักสำคัญของการละอวิชาการเจริญปัญญาแล้วคนที่เจริญปัญญาย่อมจะเห็นความโง่ของตัวเองยอมรับกับตัวเองอย่างสุดกระิตอย่างตรงไปตรงมา ความรู้สึกยอมรับอย่างนี้ลาลกความโง่เป็นความโง่อย่างนี้นั่นคือการละความโง่อยู่ในตัวมันเองในขั้นหนึ่งหนึ่งเรารู้สึกชัดแจ้งลึกซึ้งเพียงใดต่อความโง่ที่เรามีชื่อว่าละอวิชาได้อย่างลึกซึ้งเพียงนั้นพระอระหันต์เนี่ยเราผมก็โดดไปถึงสูงให้ใหเห็นว่า กำหนดเห็นความโง่ในสันดานของตัวเองในอะย่างละเอียดทีท้วนหมดทุกแง่ทุกมุมจึงเป็นผู้ที่ละอวิชาได้โดยไม่มีส่วนเหลือเลียเราก็ย้อนกลับมาดูอย่างอย่างเราเนี่ยถ้าเราไม่รู้ไม่รู้ตามความเป็นจริงนี่เป็นความโง่และไม่รู้สึกรู้สึกลังเกียจรู้สึกเป็นํานองลังเกียจว่านี่เป็นความโง่เขาขึ้นเพียงใด ความโง่นั้นยังอยู่กับเราเพียงนั้นแล้วก็วกกลับไปหาคนที่ที่จะเล่นวิปัสสนาอย่างระดับเราอย่างเท่าที่เราทําได้เราจะได้เห็นความโง่เขลาของเราเราบอกตัวเองทํา ม, มีความรู้สึกสับซึ้งอยู่ในขณนะนั้นว่า น, นี่โง่เมื่อก่อนเนี่ยเราคิดอย่างหนึ่งนะเอ๊เดี๋ยวนี้ทําไมเราเห็นเป็นอย่างหนึ่งมันเป็นอย่างหนึ่งเมื่อก่อนเราว่าดีมันว่ามันมันยังโง่อย่างนี้น่าปลาถนาหน้าต้องกันเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็บางแล้วก็อดไม่ได้ที่จะนึกเลยไปถึงคนอื่นด้วยนึกถึงเราเมื่ออดีตนะฮะนึกถึงเลยไปไปถึงคนอื่นที่เขาเข้าใจในเรื่องเดียวกันปลาลบในเรื่องเดียวกันด้วยทัศนคติที่ไม่ใช่อย่างนี้แล้วเมื่อเราไปพูดกับเขาต่างคนก็ไม่เข้าใจกันก่อนจริงเราเข้าใจเขาแต่เขาไม่เข้าใจเราเพราะอะไรเพราะเขา ยังมีความรู้อวิชาาชาน้อยกว่าเรารู้ได้ไงเขาไม่รู้เพราะเขายังเห็นอวิชชาว่าเป็นของดีไม่คิดว่าไม่รู้นะพูดอย่างให้เห็นง่ายๆแล้วมันมันสะท้อนกับไอความรู้สึกนคิดของเราอย่างเนี้ยคนทั่ ว, วไปอย่างนี้นี่ไอคนที่เข้าใจจับอวิชชาเป็นอารมณ์เนี่ยมันจะจ ะ, ะละลบหนึ่งของตัวเอง ที่ผมกำลังพูดในหมายถึงในขณะคนเจริญสัมปชัญญะอยู่ในกิเลสมีอวิชชาเป็นหลักดูตัวเองในในปัจจุบันในเห็นอเราโง่เราเผลอเราไม่เข้าใจตรงนี้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็เห็นการพัฒนาเป็นขั้นๆไปในความเข้าใจอันนั้นแล้วก็จะนึกย้อนไปถึงอดีตเป็นข้อเทียบเสมอครับว่าอาดีตที่ผ่านมาเราได้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ แล้วก็จะเกิดการตีค่าตั้งข้อลังเกยียจตั้งข้อปรารถนาขึ้นไปทีละร ะ, ระดับอันนี้เป็นกระบวนการการล่าวิญญาดา้วยปัญญาแล้วก็นึกถึงคนอื่นเห็นคนอื่นแต่ว่าตอนที่คนนึกถึงคนอื่นด้วยบรรยากาศของการเจริญสติเนี่ยจะไม่ได้นึกด้วยความชิงชังนะซึ่งจะแตกต่างกับคนที่ไม่รู้ในอวิชชาถ้าความโล่งตัวเองเราก็ดี แต่ความโง่ของคนอื่นแล้วก็ยังโง่อย่างนี้ตั้งกอดเขาเกียดบางทีมันเอาแน่ไม่นานบางทีก็หวาดดีบางทีก็หวาไม่ดีนะเพราเป็นเรื่องของอกุศลเนี่ยมันก็ต้องคิดเป็นอกุศลกันไปไม่รู้จบตั้งดันนอกดันในแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยจะปลาลบอวิชาในส่วนลึกในส่วนเหลือว่าอาวิชาความไม่ ความไม่เข้าใจส่วนนี้เรายังมีถ้าเราไม่ยอมรับเนี่ยเราก็ต้องเลิกทาเลิกพัฒนาตัวเองแล้วเพราะนั้นที่มาฟังอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้ายังก็ต้องมาเนี่ยก็เพราะว่ายังมียอมรับว่าเรายังมีอวิชชาส่วนอื่นเราไม่ต้องการให้มันมีอยู่ยื่งยังต้องมาบางคนก็ถึงทำความปรารถนาล่วงนาว่าชาตินี้ไม่หมดแน่อวิชาขอชาติหน้าต่ออธิษฐานถึงชาติหน้า อันนี้เป็นเรื่องเรื่องเรื่องปริยัตเป็นการยอมรับปริยัตและคนอย่างนี้มีอนาคตรครับมีอนาคตว่าไม่ดักดานอยู่กับอวิชชาอยู่กันที่แต่ถ้าบาังเอิญลองมาคิดใหม่เดี๋ยวโอ้ยผมพูดธรรมะไม่ต้องคนคว้าแล้วผมรู้หมดแล้วต่านบอกโอเมื่อคุณไม่คนกว้าผมก็ไม่มาฟังแล้วเพราะผมก็รู้หมดแล้วเหมือนกันก็วงแตกทันทีมันก็จะนักอยู่แค่นั้นดีไม่ได้ ฉลาดไม่ได้อย่างนี้แล้วทีนี้คนที่ไม่ยอมรับมันมันมีสองประเภทไอ้ที่ว่าโง่แล้วไม่รู้ว่าโง่เนี่ยที่ยางร้ายแรงที่สุดเนี่ยก็คือไม่รู้สึกเลยว่าโง่เียกว่าเข้าระดับโลกจิตอ่ะถ้าเราพูดคำ น, นนั้นก็ฟังชัดเจียนไปเลยนะชัดเตียนมันก็ เราลึกซึงคนเป็นโลกจิตเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกตัวเพราะตัวเองตัวเองไม่รู้ตัวเองโง่สานึกนะนี่เราพูดได้แง่าสานึกเนี่ยมันไม่ใช่ได้แง่คําพูดทีนี้อีกระดับหนึ่งที่หย่อนลงมาก็คือตัวเองอาจจะมีความรู้สึกอยู่ว่าไม่รู้อยู่บางแต่มีอมีความโง่อันอื่นเนี่ยเข้ามาสัมทับเข้ามามาทับอีกทีทับไม่ให้ยอมรับกับคนอื่น ประเภทโง่อโวจะลาดยอมอาจจะยอมยอมรับกับตัวเองเราไม่รู้แต่ก็ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าบอกไม่กล้าถามว่าเราไม่รู้อันนี้โดยเหตุผลของกิเลสส่วนอื่นที่มันเข้ามาท่วมทับซึ่งอันตัวนี้อธิบายว่าไงอธิบายว่าความรู้นั้นไม่มีกำลังพอ ที่จะทําให้เกิดการยืดกั้นอวิชชาอีกส่วนหนึ่งที่เข้ามาท่วมทับเหมือนวนะ่าอย่างเราเนี่ยถ้าความรู้เรายังไม่เพียงพอต่อวิชายังไม่เพียงพอยอมรับไม่เพียงพอในผู้นั้นกับตัวเองเนี่ยนะเราจะถูกจํากัดในแง่ของการขวนขวายเช่นเช่นว่าความจริงเราก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่ไอความรู้อันนี้มันไม่ชัดเจนเพียงพอเราก็ดูเบา ก็บอกไม่ต้องไปก็ได้ไม่ต้องทําก็ได้ไม่ต้องอ่านก็ได้ไม่ต้องฟังก็ได้อะไรเงี้นะแต่ถ้ามันรุนแรงไม่ได้ครับถ้ารุนแรงเนี่ยถึงขนาดถ้าอย่างสมัยวิศวการออกบวทเดี๋ยวนั้นเลยครับฟังทำแล้วเนี่ยว่าเรานี่โอ้เราเป็นไปในอวิชชาแล้วหนอเราเป็นไปในวิชาแล้วหนอะก็บทันทีเลยทนไม่ได้เราไม่บวททันที อย่างเราให้บวชทันทีเหมือนอย่างนั้นก็แสดงว่าเรามีกำลังความรู้ในอวิชชามหากุศลยันธร ม, มยุท์เหล่านั้นทําอวิชชาให้เป็นอารมณ์อย่างมีกำลังน้อยอยู่จึงไม่เป็นเครื่องเล่งเล่าพฤติกรรมของเราเพื่อเป็นไปเพื่อการคลึงคลายอาวิชชาได้อย่างเท่านั้น มีเป็นกรณีที่ผมอธิบายที่ให้เห็นในแง่ทีว่าอาวิชชาเป็นปัจจัยแก่กุศลซึ่งอาจจะเน้นเป็นเรื่องภาวนาหน่อยแล้วก็เป็นยานรมยุทธหน่อยที่มุงตรงข้ามกัน <Yeah. S 1> โดยความเป็นอารามนาปัจจัยและกาลังจะบอกว่าความเป็นอารามนาปัจจัยนั้นสำคัญเหมือนกันสำคัญ ในทางละเนี่ยละอา่าที่เรากำลังพูดตั่นหมายถึงละอวิชาต้องมีอวิชาเป็นอารมณ์ถึงจะละอวิชาได้กุศลจึงจะละอวิชาได้นะฮะแล้วก็ละได้แค่ไหนอยู่ที่การกระทอาอวิชาให้เป็นอารมณ์ชัดแค่ไหนก็จะละได้แค่นั้น น, นี่เป็นหลักในส่วนนั้นไอ้ส่วนอกุศลเดี๋ยวพูดดีที อวิชชาเป็นอารมณ์เป็นที่ถลายโง่ตอนนั้นนั่งโกงกันข้ามกันนะแต่ตรงนี้มันเป็นกุศลก็ดีเท่านั้นแค่นี้ไอต้ตรงนีนะ้ผมต้องการจะเน้นว่าเป็นสีที่ไม่เป็นอารมณ์ไม่ได้ด้วยนะเป็นความเข้าใจที่เราเพิ่งมาทราบเพิ่งภายหลังในธรรมะเพราะอาวิชชาเนี่ยมันเหมือนหนังสือหรือเหมือน เสียงเหมือนเสืออะไรที่เป็นอุปกรณ์การการเรียนการพัฒนาปัญญาเราจะพัฒนาปัญญาโดยไม่มีหนังสือให้อ่านพัฒนาสุตตภาปัญญาโดยไม่มีหนังสือให้อ่านได้หรือไม่อย่าไปนั่งให้มันลอยมาเข้าหัวเราเองได้ไหมไม่ได้ต้องมีหนังสือให้อ่าน แลนะอ่านอ่า น, านลึกซึ้งแค่ไหนอย่างไงนั่นคือระดับของพลังของความเป็นอารมณปัจจัยแก่กุศล ย, ยาณอมยุทธ์ของเราการเจริญในธรรมละอวิชาก็อาศัยอวิชานั่นแหละเป็นอารมณ์ให้เราดูลองคิดดูเพื่อเราจะรู้จักอวิชชาด้วยการไปดูอะไรถ้าไม่ดูอวิชชาตัวเรื่องอวิชชา จากที่ไหนถ้าไม่ได้ดูบทเทสนาเรื่องอวิชชาจะไ้อ่านอะไรอ่านเรื่องอื่นก็รู้เรื่องอื่นแต่เมื่ออ่านหนังสือเรื่องอวิชชาเราก็จะรู้เรื่องอวิชชาและไอการรู้อวิชชาโดยทำให้เป็นอารมณ์อย่างนี้มันไม่ใช่รู้แล้วก็จบกันแล้วก็เราก็โง่เท่าเก่าอาวิชชาเหมือนเดิมมันไม่ใช่การรับรู้เหมือน เด็กทารกมาเห็นตัวอักษรคือไม่ใช่รู้แค่ทําให้เป็นอารมณ์แต่หมายถึงทําให้เป็นอารมณ์ด้วยอย่างรู้ด้วยแต่ว่าการอย่างรู้เนี่ยไม่ทําให้เป็นอารมณ์ไม่ได้ความอย่างรู้ของบัญญาจะมีในอวิชชาได้ต้องทําให้เป็นอารมณ์ด้วยแต่คนที่ทําอวิชชาให้เป็นอารมณ์ในทุกๆกรณี ไม่ใช่ว่าจะต้องมีการอย่างรู้ด้วยเห็ยนคําว่าอาวิชชาปัจเจ雅สังขาราเอาเอาเนียแผนภูมินี้ก็ได้ไปให้สุนัขดูสุนัขละอาวิชาชาไหมไม่ละสุนัขไม่ลาอวิชชาเพราะมันเห็นมันได้อ่านก็ไม่ออกเห็นได้แต่ตัวให้เด็กเด็กก็ไม่ละอวิชชาอ่าให้เด็กที่อ่านนัง่งอ่านออกพยัญชนะได้ ก็ยังไม่ละวิชาพราอ่านพยัญชนะได้ไม่รู้ความหมายใช่ไหมก็ยังไม่ ล, ละเพราะฉะนั้นอย่างเราเนี่ยเราถึงดูบทธรรมะแล้วจะต้องดูคําอธิบายว่าอย่างไรเราก็ละวิชาได้ชั้นหนึ่งเมื่อปฏิบททัติเห็นก็ละได้ชั้นหนึ่งหนึ่งขึ้นไปตามลําดับอย่างนี้ ก็จึงเป็นว่าข้อนี้น่ะอาวิชาเป็นปัจจัยแก่สังขารในกรณีที่เป็นปัจจัยแก่มหาอุสนาณัรรมยุทธนั้นอาวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดแต่เกิดเพื่อละตรงนี้แปลอันหนึ่งแล้วผมก็เลยอยากจะถามให้พิจารณาทาความเข้าใจตรงนี้แทรกว่าที่บทกล่าวในสายนิโรธวารละว่า เมื่ออวิชาดับสังขารดับนะก็คือละวิชาถามว่าการที่เราจะละปฏิจจสมุปบาทได้เนี่ยเราจะเราไอ้ําเครื่องละเนี่ยเป็นปเป็นธําที่อยู่ในปฏิจจสมุปบาทหรือคนละเรื่องกับปฏิจจสมุปนอกปฏิจจสมุบาทผมรู้ว่าถามแล้วยังมเข้าใจายอ่ถ้าเป็นเหตุให้เกิดสังขาร เพาะว่าสังขารเป็นผลผลิตของอวิชชาทีนี้ถ้าเราจะละอวิชชาเนี่ยเราจะใช้สังขารที่เป็นผลผ ล, ผลิตของอวิชชาละอวิชชาหรือว่าไปเอาอะไรที่อื่นมาละอวิชชาที่เป็นปัจจัยให้เกิดสังขาร น, นี้ผมถามว่าท่านปท่านให้ทานเพื่อหวังความจหลาดอาวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดกุศลนั้นใช่ไหม สั่งทำเพื่อให้เกิดฉลาดก็เป็นกุศลอาวิชาเป็นปัญหาให้เกิดอีกไปทำวิปัสสนาเพื่อล่าวิชาวิปัสสนาที่เราทำเป็นมหากุศลยานสมมยุทธ์ฝ่ายภาวนาใหม่อันต้นยังไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยถามว่าเกิดจากอาวิชาไหมเกิดเป็นสังขารไหมเป็นตกลงดิ่นไปทางไหนก็เป็นผลผลิตของวิชา เมื่อเป็นผลผลิตวิชาก็อยู่ในวัตจักรในวงจรของปฏิจจารมุบบาทใช่หมถูกแล้วทีนี้เมื่อบอกว่าดิ้นยังไงทำบุญทงกุศลดิ้ตยังไงก็อยู่ในวงจรของปฏิจจาร์แล้วเวลาจะลาทำไงล้วขยับขยับไปทางไหนไม่หลุดปฏิจจาร์เลยสักทีหนึ่งและจะลปฏิจจาร์ ได้ด้วยอะไรใครมาช่วยละให้พระพุทธเจ้ามาช่วยละให้หรือเราละเองเมื่อเราละเองก็ยังติดอีลงตรงนังอยู่ในปฏิจจาริจะไปละปฏิจจาได้ไงคําตอบเนี่ยครับเราทําวิปัสสนาชั้นต้นเป็นยาอาเป็นภาวนามายนมานอวยุตสําเร็จจากอวิชชาอยู่ในปฏิจจาเหมือนกันคําตอบเนี่ยจึงอยู่ที่ว่า วัดครึ่งกรรมการครึ่งวัดตาครึ่งได ว, วัดตาครึ่งถ้าเป็นกุศลนะวัดครึ่งกรรมการครึ่งถ้าเป็นอกุศลกรรมการหมดเลยไม่ใช่วัดหมดเลยกรรมการเอาไปหมดเลยอ่าไอ้ตรงนั้นค่อยว่ากันว่าถึงตรงนี้ให้ชัดกว่าเวลาที่เรากระทํา ภุษณ์ใดๆเพื่อละอวิชาเกิดจากอาวิชาแล้วก็จะเป็นเดินเข้าไปสู่วงจรของวรติจาแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เข้ามากระทบกระเทือนอวิชาขัดเจ้าอาวิชาเช่นเราทาวิปัสนาเนี่ยพระพุทธเจ้า ส, สอนเราใช่หรือไม่วันนี้ทาอศีลสิกขาสมาธิสิกขาปัญญาสิกขา ในส่วนเอาไปนว่ในสวนโลกิยะที่เราทำเนี่ยนะฮะทำทำไมทำเพื่อให้หมกตัวอยู่ในปฏิจจสมุปบาทเหนียวแน่นมากขึ้นหรือทำให้แยกตัวออกจากปฏิจจาละวิชาให้ได้เป็นต้นทำเพื่อให้ละปฏิจจามันก็เลยดูสติขัดแต่ว่านี่คือสิ่งที่เราจะพึงทำได้ เราเนี่ยจะละวัตตะก็โดยอาศัยวัตตะนั่นแหละเป็นที่เป็นปัใจจัยให้เราจะละทุกก็อาศัยทุกนั่นแหละเป็นปัใจจัยให้ฉันใดก็ฉะ น, นั้นเราจะละกิเลสก็อาศัยกิเลสนั่นแหละเป็นปัใจจัยให้เราจะยอมหรือไม่ยอมก็ต้องอาศัยครับแต่โดยหลักเนี่ยมันเป็นธรรมดาที่จะต้องอาศัยเราคิดดูก็แล้วกันว่านามรูปเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอริยสัจ เป็นทุกขอริยสัจแล้วเวลาจะพ้นทุกข์ทำไงกําหนดรู้ทุกข์เอาทุกข์เป็นอารมณ์คนทํำวิปัสนาหรือว่ามีทุกข์เป็นอารมณ์นะแล้วคนไม่ทํำวิปัสนาไม่มีทุกข์เป็นอารมณ์นะมีเหมือนกันล่ะครับแต่มันไม่เห็นเป็นทุกข์มันเห็นเป็นอื่นทุกข์กองเดียวกันอะมองแล้วเห็นเป็นอื่นทัศนะกติเป็นอื่นพวกทำกรรมฐานทำ เพื่อสร้งางทัศนะให้ถูกตรงกับความเป็นของมันก็คือเราจะละกองทุกคือนามรูปก็ต้องเอาทุกเป็นอารมณ์ละกิเลสก็ต้องเอากิเลสเป็นอารมณ์ละสมุทยัยละวิชาทั้งนั้นถึงที่สุดท่า น, นึงบอกว่าเป็นผู้ที่แทงตลอดด้วยปัญญาด้วยกาณทัศนะในทุกในทุกการสมุทยัย ในทุกการนิโรธในทุกกานิโรธกรรมินีปฏิปทาต้องผ่านการเป็นอารมณ์มาอย่างถึงจุดสมบูรณ์หมดจึงจะไอส่วนที่จะพึงละก็ละได้อย่างสมบูรณ์จริงไอส่วนที่พึงจเจริญก็จเจริญให้ให้ถึงจุดสมบูรณ์จริงคือนิโรธคือมรรคก็ผมก็เลยพูดวาดวงไปไกลนะทีนี้ก็เข้ามากค่ตรงนี้ว่า มันที่ว่าวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่ึ่งทุกทีหรอกครับบางทีก็วัดเจ็ดสิบกรรมการยี่้านะฮะบางทีก็วัดยี่ห้ากรรมการเจ็ดสิบห้ามันอยู่ที่ระยะยกตัวอย่างนี้ครับว่าเมื่อคนปฏิบัติวิปัสสนาได้นามลูกปริเขษทาน ผู้นั้นชื่อว่าได้รู้ทุกแล้วส่วนหนึ่งใช่หรือไม่และยังไม่รู้อีกส่วนหนึ่งใช่หรือไม่ต้องต้องตอบว่าใช่ครับเพราะถ้าไม่ใช่คือไม่รู้ร้อยเลยรู้ร้อยเลยเป็นอัลลามเลยทันทีซึ่งมันเป็นไปไม่ได้แล้วก็รู้อวิชชารู้ก็คือละละก็ต้องรู้ส่วนหนึ่งใช่หรือไม่ โซวนหนึ่งคือแค่ไหนก็คือเมื่อเรายังไม่ได้วิพัฒนายานที่หนึ่งเราโง่เขลาในอวิชาของเราอย่างไรก่อนหน้านี้พอไปถึงตรงนั้นแปล ว, ว่าเราละได้ถึงจุดนั้นแล้วแต่อวิชาในระดับยานสองเจ้าพึงละขึ้นไปเรายังมีใช่ไหมเรายังมีตรงนี้เนี่ยเมื่อย้อนกลับมาหาอาวิชาเป็นใจัยแก่สังการึงว่าอวิชา ที่เราละแล้วได้ส่วนใดก็จะเป็นปัจจัยแก่สังขารได้ในขอบเขตแค่นั้นไม่เป็นปัจจัยแก่สังขารในขอบเขตแค่นั้นจนขวาอาวิชานั้นถ้ามันเกิดคืนเต็มเต็มกําลังอีกมันถึงจะเป็นปัจจัยให้แก่สังขารอย่างห ย, ยาบๆได้อีกและถ้าหากว่ า, าวิชานั้นถูกขูดเกาต่อไปอีก ด้วยสังขารอื่นเมื่อมันจะไปตั้งรอบใหม่ของปฏิจจามันก็จะถูกจำกัดขอบเขตให้สร้างสังขารได้ในขอบเขตที่แคบลงที่ละเอียดขึ้นยกตัวอย่างเช่นว่าเมื่อเรามาเรียนธรรมะแล้วเนี่ยเราอาวิชาของเราสามารถที่จะทำให้เกิดอากุศลสังขารว่า ตายแล้วศูนย์นิยตามิจฉาทิฏฐิได้หรือไม่ไม่ได้ไม่ได้ตลอดไปทั่วกับชั่วการจนกว่าจะเข้านิพพานหรือชาติข้างหน้าก็อาจจะได้อีกไม่แน่เพราะว่าเรายังไม่ได้ละวิชาอย่างเป็นสมุญเเกะใช่ไหมเราละได้ด้วยการทั่วเป่ามันก็อผลิตผลคุ้มครองเราให้ปลอดจากความชั่ว ของสังขารระดับนั้นชั่วคราวนี่ก็คือวัดครึ่งกรรมการครึ่งอย่างนี้ก็เลยได้ความว่าเราใช้ผลผลิตของอวิชานั่นแหละมาละอวิแล้วเมื่อละไปได้ส่วนหนึ่งก็พยายามเอาสังขารที่ดีขึ้นมาละวิชาให้ดีขึ้นดีขึ้ น, นสังขารเราจะถูกจำกัดอย่างไอ สังขารเป็นบุญเป็นบาปเนี่ยเราพูดอย่างเป็นกลางๆให้เห็นนะที่บาปของคนจํานวนหนึ่งจึงถูกจํากัดอย่าว่าแต่ที่แจ้งทางกายทางวาจาแม้แต่ความคิดก็ยังโดนจํากัดเช่นจะมาคิดว่าเราจะกงเข้าเราจะโกงเข้ า, า, ขาแต่เราจะไม่บอกเราจะไม่แสดงให้เห็นว่าจะกงเข้า อย่างเราเนี่ยมันก็ถึงขั้นที่แม้แต่คิดก็ไม่คิดหรือแม้แต่บางคนละเอียดถึงขนาะดทาความจรารถนาขอให้เขาให้เลยนะหรือไม่ได้คิดโกงนะแต่เขาให้เราให้ให้เลยเราจะแฝงเมตตาให้เขาให้เราให้ได้อะไรเงี้ยนะเอาทำมาเป็นเครื่องวัดล้อมโดยไม่ได้ไปออกปากขอแม้แต่อย่างนี้คนบางคนที่ควบคุมวิชาได้ลวาวิยะก็สังขารอย่างนี้ หรือแม้จะคิดว่าขอให้เราเข้าเรื่มสายเราคนหนาขอให้เข้าเรื่มสายเราคนเดียวคนหนาเรื่มสายเรามากกว่าคนอื่นนะนะบางคนก็ไม่คิดละอายที่จะคิดสังขาร น, นี้ไม่เกิดทําไมถึงไม่เกิดเราลองมันนึกดูว่าทําไมถึงไม่เกิดก็เพราะว่าเขาเปล่าอาวิชชาคนมีอวิชชานอะคิดว่ามันต้องคิดอย่างนี้อย่าไปแสดงเขาเห็นเราคิดอย่างนี้แล้วดีเป็นความแยบยนล นะราชกาลาชื่อเสียงก็เป็นของดีซึ่งตรงกันข้ามกับอีกคนที่เขาไม่ได้เห็นว่าเป็นของดีอย่างที่คนนั้นคิดเพราะยานปัญญาอาวิชาเขานั้นประนีกว่ากว่าอีกคนหนึ่งทีนี้เราเนี่ยครับเราจะใช้ปฏิจจละปฏิจจ์เอาเงี้แล้วกันนะ ปฏิจจาวงละเอียดละปฏิจจาวงหยาบปฏิจจาวงละเอียดละปฏิจจาวงหยาบหยาบหมายถึงหยาบใ น, นอกติสดไปตามลำดับละไปละมาละไปละมามันเหมือนเราเราขัดสีทวีมันเช่นการกระดาษลายเลยขัดไปขัดมาตั้งแต่สนิมก็หายลายก็หายจนทั้งเหล็ก ท, ทั้งแท่งหายเลยขัดเกลาจนหายเลยหายหมด เมื่อถึงจุดนั้นแปล ว, ว่าเป็นขั้นโลกรตระอาวิชาถูกทําลายหมดเรียกว่าดับหรือสํารอกอวิชาได้อย่างไม่มีส่วนเหลือเมื่อสํารอกอวิชาได้อย่างไม่มีส่วนเหลือสังขารก็ไม่มีฐาน่งความเป็นกรรมก็หมดก็ถึงจุดลอยตัวนี้ครับคือการการละ เราก็เห็นเป็นหลักเดียวกันกันกบว่ า, าการพัฒนาตัวขึ้นไปสู่ขั้นอริยา น, นี่มันมาจากธรรมดาทําดาอย่างที่เรามีแล้วค่อยๆขัดไปกล่าวไปละไปเจริญไปวัตตะละวัตตะนั่นแหละในชั้นหยับๆต้นๆนี้ไปจนถึงจุดสมบูรณ์ก็เป็นนานว่าเป็นวิวัตตะอวิชชาขาดวงอ่า อันนี้ก็อธิบายในส่วนของอารมณปัจจัยอาวิชาเป็นอารมณะปัจจัยแก่กุศลละจิตซึ่งผมจะไม่ขอแจงเป็นตัวตัวคือถ้าเราพูดกันอย่างใจเย็นๆเนี่ยนะก็จะแจงว่ามหากุศลแปด ในกรณีของการให้ทานอาวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดโดยความเป็นอารมณะปัจจัยอย่างไรบุญกิริยาวัตถุสิบข้ออื่นอวิชชาเป็นปัใจจัยให้เกิดอย่างไรนะก็ว่าไปเป็นตัวตวในนี้เราเอาเอาหลักและยกตัวอย่างบางการณีก็พอก่อนตอนนี้จะยกตัวอย่างอธิบายการณีของปกจจุบันิสัยปัจจัย อวิชาเป็นปัจจัยให้เกิดมหาวุตตจิตหรือผู้ดีกทีโดยบุญ ก, กิจอาว่ะมาอวิชาเป็นเหตุให้เราทำทานโดยความเป็นปัจจุบันิทิยปะปัจจัยอย่างไรเป็นเหตุให้เรารักษาศีลอย่างไรเป็นเหตุให้เราเจะเดินภาวนาอย่างไรเราก็มาดูให้ชัดเจนตรงนี้ฮะว่าตรงนี้น่ะมันเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจทั้งที่ ปรากฏชัดโดยตรงและเป็นไปโดยปริยายที่ว่าปรากฏชัดโดยตรงเนี่ยนี้ก็อธิบายกันเข้าใจง่ายหน่อยก็คือเมื่อเราถ้าถามว่าทำไมเราถึงคิดจะให้ทาน เราก็อาจจะตอบเหตผลที่มันอยู่ในความนึกคิดเราต่างๆกันไปนะเช่นบอกว่าให้เพราะอยากอยู่ดีมีสุขให้ทานแล้วไม่อดไม่อยากให้ทานด้วยของชิ้นนี้เราจะได้ผลชิ้นนี้ให้ทานแล้วอยากจะไปสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ความคิดเราเนี่ยคิดที่จะ<ห>ต้องการผลอย่างผูกพันอยู่กับทุกใช่ไหม ผูกพันอยู่กับสมูทไทยคือความอภิรมสาํารานด้วยทุกนะเห็นเป็นของดีเห็นตรงนี้คือด้วยความรู้สึกว่าเป็นของดีเราอย่าเอาหลักการมากลร า, า, า, า, าดาว่าไม่ดีถ้าถามมาดีมอกไม่ดีนั่นตอบไม่แง่หลักการแต่ในแง่ของความรู้สึกการยอมรับอธิภอภิรมในใจเราเนี่ยการที่เราไปมุ่งผลอย่างนี้ ถือว่าเอาวิเป็นอาวิชาอย่างหนึ่งแล้วเราก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันอาวิชาเลครับรก็บอกให้เราต้องการแล้วกันแหละแล้วก็บางทีบอกว่านี่ยิงเรารู้นาตายแล้วเกิดเวรกรรมมีจริงทําอย่างนี้ได้อย่างงานุนไม่ไดอย่างงานุนไม่ได้อย่างงี้ตามอย่างงาี้แล้วอย่างงุนเนี่เป็นความเฉลียวฉลาดครับอันนี้แหละครับือว่าอาวิชานั้นมันประณีตละเอียดไปแค่ไหน ไปตามความรู้กรรมหรือไม่รู้กรรมของเราด้วยฉะนั้นถ้าเรามีความรู้มากหน่อยเราก็จะทำทานด้วยความเฉลียวฉลาดได้ในระดับนั้นเช่นว่าเราไม่ทำทานเอาหน้าแล้วแปลว่าเราพ้นกุศลสังขารอันสาเร็จได้ทาน ในระดับที่อวิชชาขนาดนั้นมันทำให้เกิดการกระทำด้วยเหตุนั้นแต่เรายังอวิชชาในเรื่องการเกิดใหม่ในสุคติใช่ไหมเรายังมีเรายังนิยมเนี่ยไอ้รสนิยมผลระดับไหนนั่นมันคือเครื่องยืนยันอวิชชาขอางเราครับแล้วเป็นเครื่องยืนยันภูมิปัญญาในสังสารวัตรในชีวิตของเราในอริยสัจทีเอยงเรา เราก็ก็ทําไปนะแต่ว่าคนที่ทําระดับสูงจริงๆเขามนะีว่าทํากรณีนี้ทําแค่นี้ด้วยอวิชาระดับนี้ทําตรงนี้ทําเพื่ออันนี้ด้วยอวิชาระดับนี้เพราะมันมีหลายๆระดับเกิดขึ้นตามการอันสมควรบางครั้งเราก็อาจจะทําเอาอย่างอื่นไม่ทําเอาอย่างนี้บางทีก็ทําอะทาเอาอย่างนี้บางทีก็ทําอันนู้นมากกว่าอันนี้อันนี้มากกว่า น, นุนมันอยู่ที่กําลังงอวิชาอ่า อันนี้แหละแม้ว่าเราจะไม่ได้มานึกถึงอวิชชาเลยนะนึกถึงแต่ผลได้ของการกระทำกรรมแต่อะไรมันเป็นแรงปลักอยู่ข้างหลังอวิชชามันผลักอยู่ข้างหลังเพราะไม่รู้มันผลักอยู่อยู่ข้างหลังทำให้ความคิดเราเคลื่อนไหวไปด้วยอำนาจของความไม่รู้เท่าที่ปัญญามันส่องไปแค่ไหนความมืดตีกรอบอยู่แค่ไหนเราก็ ขยาไปเยื่นอนสังขารของเราไปในอนาบริเวณแค่นั้นทีนี้ถ้าเราจะนึกถามตัวเองว่าเอ๊ะแล้วจะให้เราทำไงดีให้มันพ้นออกจากวิชานี่ทำเอานี่กับวิชาอยาดทาเอานู่นกับวิชากลางทำเอานี่กับ ว, ว, วิชาละเอียดแล้วจะให้ทำยังไงถึงจะพ้นจากวิชาหรือไม่ให้ทำอะไรเลยอยู่เฉย เราเนี่ยไม่ไม่ทําอะไรเลยไม่ได้นะครับอยู่เฉยๆก็ถือว่าทำบางทีมันได้ไม่เท่าเสียให้ทําอย่างอื่นนะดีกว่าทํายังไงยังไงมันก็ไม่พ้นทางการที่นี้จะให้ทํำยังไงจะไม่ให้ทหําด้วยวิชาได้ไหมไม่ได้ะครับความเป็นไปในทางเป็นจริงของแต่ละคนนั้นจึงว่าเรา อยู่ในระดับใดเราก็ต้องทําไปตามระดับนั้นแต่จะต้องพกความปรารถนาไว้อันหนึ่งพกความเข้าใจไว้อันหนึ่งว่านี่เราเนี่ยทําปตามเงื่อนไขปกติธรรมดาของผู้ทุชนผู้มีอันจะต้องเป็นธรรมดาอย่างนี้แต่เราจะต้องไม่หยุดอยู่แค่นั้นต้องไปเนึกว่านั่นคือดีที่สุด นี่ในแง่หลักการในแง่ที่จะเตือนสติตัวเองและจะต้องพัฒนาต้องเลื่อนขึ้นไปให้ได้อวิชาเราก็จะละเอียดขึ้นภูสุนเราก็จะดีขึ้นปัญญาเราก็จะดีขึ้นเราก็ต้องนึกอย่างนี้ต้องทําความรู้สึกอย่างนี้อย่าทําตัวเอง จ, จนกระทั่งเกินความเป็นจริง เพราะคนจะไม่มีสังขารอะไรเลยได้เนี่ยต้องเป็นพร ะ, ะหรหันแต่เป็นกุศโลดดิ้นอีสระไหนมันก็สังขารมันยัางขําดิ้นไปดิ้นมาบางทีมันดิ้ดนตกต่ําดิ้นลงมาแล้วมตกต่ําไม่ได้สูงขึ้นหรอกในความเป็นจริงเราเนี่ยเราอยู่ตรงไห น, นแล้วทําได้แค่ไหนเอื้อมเราไปได้แค่ไหนก็คือแค่นั้นนั่นคือจุดที่เราจะทําได้นี่ในสารลานในทางปฏิบัติเนะี่ยอยู่ที่ตรงนี้ ส่วนไอ้หลักสมบูรณ์เนี่ยมันมันสมบูรณ์กับหลักสมบูรณ์กับคนบางคลแต่กับเราไม่สมบูรณ์เราก็ต้องว่าไปอย่างเราก็แปลว่าส่วนหนึ่งเราก็ยอมรับเป็นหลักการเตือนไว้เป็นเส้นทางไว้เป็นแผนที่ไว้ส่วนหนึ่งคือสิ่งที่ทําได้จริงๆทําได้จริงๆกับหลักการเนี่ยบางคนก็เต็มตรงตามหลักการหมดแล้ว บางคนก็ยังไม่เต็มแต่คน ท, นที่ก่อนที่เขาจะเต็มเขาก็ไม่เต็มมาก่อนใช่ไหมเราก็ไม่เต็มอยู่อยู่เดี๋ยวนี้เพื่อจะได้ไม่เต็มเพื่อจะได้เต็มต่อไปอย้อนกลับมาว่าไอ้ประตูเนี่ยคือแรงบันดาลใจที่เราจะคิดอ่านวางแผนเพื่ออะไรอะไ ร, ะไรหรือไม่เราก็ถูกวิชามันบันดาลอยู่ข้างหลังแล้อย่างนี้และแม้คนที่ ทำบุญโดยไม่ได้คิดไม่ได้หวังตั้งใจอะไรเลยไม่ได้รู้เรื่องปฏิจจ้อขอดตรงนี้เลยอาวิชาก็เป็นปัจจัยบรรดาให้อาผมยกตัวอย่างว่าเราทำบุญตรงเดชทำไม่เอาบุญใครถามก็ไม่เอาบุญฉันทำฉันไม่เอาบุญฉันไม่ปรารถนาจะรู้ว่าอั น, นิสงส์เป็นยังไง ฉันจะรู้หรือไม่รู้ก็แล้วแต่ฉันไม่ต้องการมันหรือว่าฉันกลัวฉันกลัวกรรมวัดฉันเลยไม่ขอทำบุญอีกแล้วบุญก็เป็นกรรมวัดบาปเช่นก็จะไม่ทําถามว่าพ้นไหมพ้นความเป็นสังขารไหมไม่พน้นการจะพ้นสังขารมันไม่ใช่คิดเอาดื้อๆ อ, อย่างนี้มันต้องเป็นไปตามกระบวนการอย่างที่ว่าแบ่งส่วนกันไปเรื่อยๆ วัดครึ่งกรรมาการครึ่งเนี่ยจนกระทั่งมันเป็นของเราเต็มร้อยหรือเป็นกองวัดเต็มร้อยก็แล้วแต่จะเปรียบเทียบเมื่อนั้นมันจะเป็นไปเองแต่ไอความคิดอย่างเนี้ยมันหนีไม่พ้นหรอกคิดว่าก็อย่าไปปรุงแต่งอย่าไปปรุงแต่งไอที่เราพูดพูดกันอย่างเนี้ยหรือพระพุทธเจา้าตรัสอย่างนี้เลยบางทีทรงหมายให้เอาว่าให้เลือกสังขารให้ดีขึ้น ไม่ใช่ว่าพ้นสังขาร น, นะถูกไหมฮะว่าอย่าไปคิดมากสิอย่าไปปรุงแต่งสิปรุงแต่งแล้วมันก็เนี่ยเป็นสังขารอาวิชาปัจญาสังขารเราไม่ปรุงแต่งแล้วก็ไม่เป็นไม่เป็นสังขารไม่อยู่ในวงรอบของปฏิจจ์ความจริงอยู่เพราะว่าไอ้วงรอบนี่มันมีให้เลือกว่าอยู่ตรงจุดไหนอยู่อย่างไรวงแบบไหนใช่ไหม จริงๆก็คือให้มันอยู่ในเลือกอสังขารอย่างชนิดนี้ดีกว่าทำพัฒนาสังขารให้มันเป็นอย่างนี้ดีกว่าความหมายจริงๆเนี่ยมันคืออันนี้เพราะเรานั้นคือปฏิจจ์ทำยังไงก็เป็นปฏิจจา์ทาั้งนั้นปรงเสียได้ก็ปลงแต่งเห็นสักตะว่าเห็นปรงแต่งไหม ในแง่ปฏิจจะถือว่าเป็นสังขารแบบปฏิจจะแต่ในแง่อื่นนะไอ้สังขารในแง่อื่นเรียกว่าไม่ปรุงแต่งได้เห็นสังว่าเห็นนั่นเป็นเรื่องของแง่อื่นแต่ในแง่อย่าเอามาปนแง่กันในแง่สังขาร น, นั้นคิดหรือไม่คิดคิดแยบยลหรือไม่เนียแยบยลเป็นสังขารทั้งนั้นถ้าคนนั้นยังไม่ได้มีวิชาใน อริยสัตว์สี่อย่างสมบูรณ์แม้แต่เป็นพระลา้านพระธิดาแม้แต่เป็นพระโสดาบันก็ยังวัเติมสารแต่เรานึกดูให้ดีว่าปฏิจจารของพระโสดาบันีถูกจํากัดลงไปมากทั้งในส่วนกิเลสในส่วนกรรมในส่วนนิบาสหรือสังขารในย่ อ, อเป็นวัดตามก็กิเลสเอาวิชาเป็นต้นหือเป็นกิเลสสังขารถือเป็นกรรม วิญญาณนะถือเป็นวิบากกิเลสกรรมวิบากไอ้ตัวอื่นก็เหมือนกันนะแบ่งฐานะของความเป็นวัตตะอะไรเนี่ยอ่าซึ่งเราจะได้พูดกันในลําดับต่อไปตัวไหนเป็นอะไรถูกจํากัดหมดใช่ไหมเมื่อเราจํากัดกิเลสชื่อว่าเราจํากัดกรรมถูกไหมถูกจํากัดหมายถึงทํากิเลสให้ละเอียดขึ้นกรรมละเอียดขึ้น ถ้ากิเลสหยาบกรรมหยาบขึ้นแล้วก็ถ้าเราจํากัดกิเลสจํากัดการมวิบากเราก็ถูกจํากัดให้เป็นวิบากที่ประณีตละเอียดขึ้นยกตัวอย่างอย่างพระโสดาบันพระโสดาบันพ้นปฏิจจะดับอวิชชาสํหรับโดยไม่เหลือโดยที่จริงหรือย่างอย่างแต่ปฏิจจะของพระโสดากับปฏิจจะของเราไม่เหมือนกัน โดยประการหลายอย่างอาวิชากิเลสก า, ากลังไม่เท่ากันมีอวิชาเป็นต้นกรรมก็ถูกจํากัดเราไม่ฆ่าสัตว์ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ละขาดพระโสดาบันละขาดนะอ่พฤติกรรมบางอย่างพระโสดาบันไม่มีแต่เราอาจเรายังมีมีแบบไม่ได้คมก็มีคมใบว่างก็มีหลายอย่างและวัตตะสงสาร วิบากของเรายังไม่ถูกจํากัดใช่ไหมเช่นวิบากชนิดที่มีเขาเราดับหรือยังมีหางเราดับหรือย่างยังเรายังอาจจะไปเป็นสัตว์มีหางสัตว์มีเขาสัตว์มีทั้งเขาทั้งหางได้สัตว์มีหลายขาสัตว์ไม่มีขาเราก็ไปเป็นได้แต่พระโสดาบันวิบากพวกนี้มีไหมไม่มีถูกจำกัด และในกรณีที่เกิดในภูมิดีก็ถูกจำกัดการเข้าไปโดยลำดับก็เลยกลายเป็นว่าไอ้วัตตะไอปฏิจจานี่ของของคนที่พัฒนาตัวเนี่ยมันกินตัวเองครับมันกินตัวเองกินไปกินไปกินไปจนกระทั่งแคบลงแคบลงแคบล ง, บลงสั้นลงสั้นลงสั้นลงจนหมดไปในที่สุดตอนนี้เราก็กำลังพยายามจะกินตัวเอง ทำปฏิจจังเราให้กินตัวเองก็เออ้าก็ก็ยังชั่วขึ้นแหละเราและ น, นี่เราไม่ได้ยิงพยองเรานึกเทียบกับตัวเราเองเมื่อก่อนเราก็คงจะมาวัดแข่งกันไม่ได้ว่าหาไม่แมนหนูวัดได้ว่าปฏิจจังใครยังยาวเปลืย่ยมีความหนาความทึบน้าหนักเท่าไรไม่รู้จะวัดยังไงนะก็ก็ดูจากพฤติกรรม เทาที่เห็นแต่มันเอาแน่ไม่ได้ของเราเนี่ยบางทีชาตินี้เราดูดีกว่าชาติต่อไปเราก็แย่ลงบางทีไอ้ตอนนี้เราดูดีกว่าตอนต่อไปเราแย่ลงคนอื่นก็จะเรินขึ้นมันก็ไว้วางใจไม่ได้เราก็ก็่อยากไปปล่อยเนื้อปล่อยตัวปักกระตูบณิสยะที่กำลังพูดถึงเนี่ยเป็นเหตุเป็นใจให้เกิดกุศลเนี่ยทั้งด้วยความ คิดอ่านอันผิดผิดก็ดีที่มันออกมาเป็นลูกของความคิดปรากฏและทั้งที่มันเป็นแรงบันดาลใจอย่างตัวเองก็ไม่รู้ว่าตัวเองคิดก็ดีชื่อว่าเป็นปักกตูทั้งนั้นคือคล้ายๆว่า อ, อยู่ๆก็ผวาทำแบบอาการผวาอย่างคนนอนหลับแล้วผวาตา้านั้นทาานี้ไม่ได้คิดอ่านเตรียมการใดไว้เลยที่จะผ ว, วาเองผวาเองไอแรงบันดาลของ ความไม่รู้ในวิชาเนี่ยมันทําให้เกิดพฤติกรรมอัตโนมัติพฤติกรรมของสังขารอัตโนมัติทั้งความคิดทางกายทางวาจาทางใจออกมาแล้วก็ทั้งคิดอ่านเป็นตูวเป็นตากิจคิดอ่านเป็นตูวเป็นตาถ้าในส่วนกุศลเนี่ยมันยิ่งคิดอ่านแล้วมันยิ่งทําให้อวิชชาบันทิดขึ้นมันมีผลในทางลาววิชานะอย่างนั้นก็ควรคิดถามว่าควรคิดไม่ควรคิดตอบว่าควรคิด ในแง่กุศลนะแต่ถ้าในแง่ของอกุศลแล้วคิดอย่างอากุศลแล้วไม่คิดดีกว่าเราดูง่ายบอกอยู่แหม น, นี่ไปฆ่าเ้าตายนี่ไม่ได้ตั้งใจเลยเขาก็เห็นใจใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจเลย เ, เรียกว่าเหลอชั่วคราวนะไอ้ไม่ตั้งใจเลยไม่ใช่ว่ามันทําโดยไม่มีเจตนาอะไรทั้งสิ้นนะแต่มันอยู่ๆก็เกิดแรงบันดาลใจฝ่ายชั่วฝ่วายต่ํา ทำให้อยู่ๆก็ไปทํามันไม่ได้คิดอ่านล่วงหน้านะไม่ได้วางแผนแต่ถ้าคิดว่าไอ้ไอพูดพลาดทําก็วางแผนไว้านานๆอย่างลึกซึ้งไอ้คนวางแผนเอกุศลมันนึกว่าดีทั้งนั้นแหละนะคิดว่านี่คือความฉลาดแต่มันยิ่งคิดมันยิ่งโงะ่ะนึ่งบอกว่าเอกุศลยิ่งคิดว่าอย่างยังไงยังไงวางแผนยังไงยิ่งโง่ซึ่งผิดกับเรื่องของอกุศลเพราะฉะนั้น อากุศลที่เป็นปัจจัยแก่ออวิชาเป็นปัจจัยแก่อกุศลสังขารเนี่ยมันจึงกลับตละปัดกันคนเมื่ออวิชาเป็นเหตุให้เกิดอกุศลสังขารแล้วมันพอกพูนถูกไหมถูกพอกพูนเพิ่มพูนอวิชาแต่ว่า อาวิชาเป็นไปจะให้เกิดสังขารทำบาปฆ่าสัตว์มันก็ไปเพิ่มเพิ่มพูนวิชาในรอบใหม่เอาเงี้ยในรอบใหม่พอตอนหลังมันฆ่าได้มากขึ้นฆ่าได้แยบยนต์ขึ้นฆ่าได้อย่างไม่มีการหักห้ามใจมากขึ้น ถึงขนาดบางคนเนี่ยเวรกรรมตามทันและยังดูไม่ออกใครมาบอกก็ไม่เชื่อใครมาพูดอย่างนี้ก็หัดใจคนพวกนี้เป็นนักหนาเชื่อคนขี่โกงใครพูดเรื่องโกงก็หัดใจไม่ชอบถ้าพูดโอ้ยโกงเนี่ยประเสริฐโกงเพื่อรยเป็นความสําเร็จอย่างยิ่งน่าเลื่อมใสน่าเลื่อมใสอย่างนั้นชอบใจผมเคยเห็นมาแล้วอถ้าใครพูดถึงเรื่องกรรมเนี่ยโปรด กลางวงสนทนาเลยครับโกรธขึ้นมาอย่างชนิดที่ที่เรียกว่าคนพูดเนี่ยตกใจเลยคนพูดก็คงมีคนเนะ่ยพวกเราเขาก็ไปพูดเรื่องเวีกรรมบังเอิญหารู้ไม่ว่าคนนั้นนะ่ะเขามีพฤติกรรมอย่างกรคมที่ตัวเองกําลังอธิบายในวงนั้นลุกขึ้นยืนเลยครับหน้าผมไม่เห็นเข้ามานานไม่เคยเห็นเขาโกรธอย่างนี้เลย แต่เท่วนั้นโกรธเอ๊ะเราก็มานึกก็ไม่อยากนึกอ๋อนี่เขาเรียกว่าพูดไปจี้ใจดําพูดไปจี้ใจดําไปขัดกับความเข้าใจเขาเห็นว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องฉลาดเป็นเรื่องถูกเป็นความสําเร็จคนนี้พูดเป็นเรื่องโง่เป็นเรื่องเลวเป็นเรื่องความล้มเหลวเขาก็โกรธเป็นธรรมดาไม่ไม่ชื่นชมซึ่งจะผิดกค่ถ้าคนดีอยู่แล้วเนี่ยฟังแล้วก็อยากฟังฟังแล้วชื่นชมแต่ถ้าคน เขาขอโทษเขาใช้คำที่ใช่คนเร็วบางคนที่ไม่รู้ว่าตัวเองเร็วก็ต้องอย่างนั้นพูดและแทนที่จะรู้ยิ่งยิ่งไม่รู้มากขึ้นแต่ว่าถ้าบังเอิญไปสะกิดใจคนบางคนที่เขารู้พอจะรู้สึกอยู่แล้วเนี่ยนะฮะเอออย่างนั้นเขาก็ก็ยอมรับหลักการได้วิชาเกิดได้อาวิชาดูเราได้นี่อาวิชาที่เป็นปัจจัยแก่อกุสลสังขารเนี่ย ถึงยิ่งเป็นยิ่งพอกยิ่งเป็นยิ่งพอกอวิชาเป็นประจัยแก่กุศลสังขาร ย, ยิ่งเป็นยิ่งละยิ่งเป็นยิ่งละเอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็ทําบุญมาเยอะแต่ไมมันเห็นอยู่มันก็มองมองดูมองเห ม, มือนจะอยู่แค่นี้แค่เนี้อะ่ะถามว่าเราพอกหรือเรละตอบให้ถูกงทั้งพอกทั้งละเมื่อไหลพอกเมื่อไหลละคือเมื่อไหลเกิดอกุศลเมื่อนั้นพอกอากุศลสังขารจึงเป็นสังขารฝักฝ่ายหนุนเอาวิชา สริมเอาวิชาเสริมพลังเอาวิชาพวกเดียวเอาวิช า, าวันนี้เราคงพูดไม่ทันตรงจุดนี้ว่ามันพวกเดียวยังไงแล้วก็กุศลถือว่ามันกุศลก็ถึงว่าเป็นทำที่บุญเนี่ยเป็นเครื่องขัดเกลากะก็บุญเรียกกุศลเพราะเป็นความฉลาดเป็นไปเพื่อความฉลาดอย่าง น, น้อยๆก็ลดความชั่วลงในตัวมันเองนั้นเป็นความฉลาดอยู่ในตัวตามกําลังแล้วก็ผลในลักษณะ กระเทือนอวิชานั้นทําให้อวิชาทุเลาลงก็เพราะว่าเราเนี่ยมันบางคนก็พอฟัดพอเวียงกันคือทั้งพอ่อทั้งกล่าวพอวัดพ่อเวียงกันนะไอ้พอวัดพอเวียงนี่พูดนี่ชมมากแล้วชมมากไปแล้วราคิดดูเจ็ดวันพอกเท่าไหร่ขัดเท่าไหร่ขัดกี่วันพอกกี่วันขัดกี่วันนะเราคิดดู แต่ก็ดีว่าเราเนี่ยมันไม่พอกไอ้ชนิดที่มันผิดศีผิดตามนะมันก็พอกดูหนังดูละกรอะไรไปตามเรื่องอย่างงี้ก็ไม่เป็นไรไม่ถึงก็ไปผิดศีผิดตามอย่างนั้นพอกจัดไปนะพอกไปพอกมาอะไรพอกนั้นมันทําลายกุศลด้วยแต่ว่าอากุศลทุกชนิดเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาเอกสังขารฝ่ายกุศลให้มันสูงขึ้นอากุศลแม่ปานกลางแม่ละเอียดหน่อย มันก็กลายเป็นเครื่องขวางอย่างที่เรารู้ว่าอย่างเช่นว่าถ้าเราจะพัฒนาจิตให้สูงขึ้นในกุศลสังขารชั้นภาวนาให้มันก้าวหน้าศีลมันก็ต้องคึงนขั้นแปดแล้วใช่ไหมจะไปดูหนังดูละครก็ชักขวังแล้วแต่แตาพูดทึกจะคิดอ่ายกระดับหรือเพิ่มพลังของปุญญาพิสังขารให้มีผลต่อการคืนกลายวิชาให้มากขึ้นก็ต้องอย่างนั้น ก็นี่ผมพูดถึงอภูญญาพิสังขารเอาเพื่อมาเทียบให้เห็นเป็นข้อเทียบเปิดเป็นการเน้น <c oughs> มหากุศลที่เกิดจากอาวิชชาให้ชัดเจนขึ้นอย่างนี้ <c oughs> ทีนี้ก็มาว่าถึงว่าในกรณีที่อวิชชาเป็นปัจจัยแก่กุศลโดยอารมณะปัจจัยกับโดยปัตจุบนิสยาปัจจัยเนี่ย มันเป็นแบบสองปัจจัยพร้อมกันหรือเป็นได้ทีละปัจจัยหรือเป็นได้ทั้งสองอย่างบางอย่างเดียวบางผมถามแล้วผมก็จบแฟนแค้นเพื่อจะได้เนี่ยปุดฉาแล้วก็ขอโฆษณาพระอาทิตย์คราวหน้าจะมาวิสาจนาต่อกัอนนี้ก็ยุติเท่านี้นะฮะขอเชิญทุกท่านได้ดังจิต ทำจิตให้เป็นภาวนากุศลปล่อยอารมณ์ภายนอกทางตาหูจมูกลิ้นและแม้ทางใจที่เป็นเรื่องภายนอกให้หมดสิน้นนอกคือนอกประเด็นของบุญกิริยาที่เราจะทำนีพวกเราทั้งหลายได้มาร่วมกันทำบุญร่วมกันด้วยบุญกิริยาข้อที่ชื่อว่ารรมัศวนาใหม่ และทามเทเหานามัยเป็นเวลาต่อเนื่องกันนับเป็นชั่วโมงสิ่งเหล่านี้เป็นบุญกุศลจริงพวกเรามาสู่ที่นี่ด้วยจิตบริสุทธิ์ด้วยความตั้งใจอันเป็นกุศลจริงๆด้วยอานาจสัจจานี้ท้าวเจ้าขอตั้งบุญนั้นเป็นสัจจาทิษฐานและขอทมอธิษฐาน ว่าด้วยอำนาจแห่งบุญและศัจจานั้นขอให้ข้าพเจ้าจงมีศรัทธาภะษาทะอันประเสริฐอันสมบูรณ์อันประกอบด้วยปัญญามีความพึงใจอันดีอันละเอียดระนิดต่อการศึกษาธรรมะ ทั้งปริยัตศึกษาปฏิบัติศึกษาขอให้ศรัทธานั้นจงมั่นคงจงก้าวหน้าขอความเจริญเลื่อนขึ้นไปในธรรมทั้งโดยตัวธรรมอือปริยัตปฏิบัตและโดยศรัทธา อันเป็นเหตุเป็นปัจจัยจงมั่นคงและจงประณีตละเอียดขึ้นไปอย่างไม่รู้เสื่อมคลายและขอให้ข้าพเจ้าจงได้มีชีวิตอันประเสริฐขึ้นไปเพราะศรัตนั้นเพราะการศึกษานั้นโดย ไม่เสื่อมถอยโดยมั่นคงทั้งในภพนี้และภพหน้าขอให้สุขโดยธรรมจงเป็นปกติในชีวิตของข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าจงมีความดีอันจะเดินนุ่งเรืองขึ้นความเลวร้ายทั้งหลายที่ข้าพเจ้ามีจงเสื่อมถอย เสื่อมถอยและดับศูนย์ไปโดยพลันขอให้ความสุขในชีวิตความสุขโดยธรรมความสุขในธรรมจงจะเดินขึ้นความทุกข์ทั้งปวงและความสุขที่ไม่เปลี่ยนไปโดยธรรมจงเสื่อมถอยจงพ้นไปจากวิถีชีวิตของข้าพเจ้าโดยเร็วพลันขอให้ข้าพเจ้าจงมีปัญญีสี ที่เฉียบแหลมลึกซึ้งทั้งในทางโลกและในทางธรรมที่เป็นทางธรรมนั้นทั้งโดยทฤษฎีและปฏิบัติขอจงเป็นสิ่งปรากฏแก่ข้าพเจ้าโดยง่ายโดยรวดเร็วโดยขว้างขวางลึกซึ้งและขอให้อาวิชาคือความโง่เขลา จงทูลเราจงสลัดคืนและจงทําสมุดเจตประหารได้ในอนาคตเบื้องหน้าโดยง่ายโดยฉับพลันขอให้ชาวโลกทั้งหลายจงได้รับอิทธิผลอันยอดเยี่ยมเช่นที่ข้าพเจ้าปรารถนาแก่ข้าพเจ้าเพื่อ เราทั้งหลายอยากได้อยู่ร่วมกันในสังสารวัตรด้วยชีวิตอันประเสริฐและถึงที่สุดแห่งทุกข์ร่วมกันร้อมกันได้โดยรวดเร็วและขอให้ข้าพเจ้ายงได้เป็นกัลยาณมิตรเป็นปรตโตโสภาแก่ผู้อื่น เพื่อนำชีวิตประเสริฐให้เกิดขึ้นแก่เขาเหล่านั้นที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในภพทั้งปวงและขอให้พระพุทธศาสนายงเจริญมั่นคงอยู่ในโลกแพร่หลายไปในโลกทั้งในโลกมนุษย์และในเทวโลกลอมโลก ขอให้สัตว์ทั้งปวงจงได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจงช่วยกันรักษาพระพุทธศาสนาให้สถาพรอยู่ในโลกทั้งสามเสืร์ต่อไปชั่วการนานขอให้เหล่าสัตว์ผู้ต้องการอาหารที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโลก จงได้ปัจจัยสี่เหล่านี้ฉับพลันทันทีทั้งประณีตทั้งมากพอและตรงกับความจำเป็นความต้องการของท่านทั้งปวงด้วยอำนาจบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้แก่ท่านผู้อนุโมทนาแล้วสัพเพสัตตาอเวลาอัพยาปัจจาอเนกา สุข so, an um. ีอาตานังปริหะรันตุขอปิดประชุมวันนี้เพียงเท่านี้